พ่อมาน้ำตาร่วงยกลูกก็เรียกว่ายกแบบยกทุ่มลงพูดง่ายง่ายยกยอก็ยกยอเพื่อทุ่มลงบทเวลาจะให้บวชนี่แหละทุ่มลงคิดเอะ๊ะพ่อน้ำตาร่วงพระเราคิดเอามากจริงๆนะไม่สบายหัวใจเลยคิดสงสารพ่อพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาทั้งบ้านทั้งเมือง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 อย่างอื่นๆเรายังอดได้ทนได้แต่การบวชนี่มันเหมือนติดคุกติดตรางเชริ่เราถึงจะบวชไม่ได้ทนไม่ได้เราทำไมถึงจะด้อยเอาเสียหนักหนาตำช้าเอาหนักหนากว่าเพื่อนฝูงทั้งหลายถึงขนาดพ่อแม่ต้องน้าตาร่วงเพราะเรานี่